จะหลอนทอนท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันพระรหัสที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2554เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันชาติมงคลยามโยพุทธบอยสัต ผู้ฉลาดจึงไม่ปล่อยเวลาว่างที่มีคุณค่าอย่างนี้ให้ผ่านไปโดยไม่ได้มาวัดมาทำบุญเพราะการทำบุญให้ทานนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความดีของความเจริญทั้งหลายเหมือนกับพื้นที่รองรับ อาคารสูงสูงการที่เราจะสร้างอาคารสูงสูงได้เราต้องมีพื้นฐานที่แข็งแรงไว้รองรับฐานนีก็เป็นเหมือนพื้นฐานที่จะรองรับธรรมะที่ประเสริฐต่างๆเช่นศีลสมาธิปัญญามรรคผลนิพพาน เป็นผลเป็นสิ่งที่จะตามมาจากการทำบุญให้ทานถ้าไม่มีการทำบุญให้ฐานมาก่อนก็เหมือนกับไม่มีพื้นที่ที่จะสร้างตึกอาคารต่างๆเวลาเราอยากจะสร้างบ้านสร้างอาคารต่างๆสิ่งแรกที่เราต้องหาก็คือพื้นที่ เช่นเราต้องไปซื้อที่ที่ว่างเปล่าแล้วค่อยเอามาพัฒนาทําพื้นที่นั้นให้แข็งแรงถ้าไม่แข็งแรงเราก็ต้องตอกเสาเข็มเพราะถ้าพื้นไม่แข็งแรงก็จะไม่สามารถรองรับน้ําหนักของอาคารที่สูงๆได้ถ้าพื้นที่ไม่แข็งแรงเวลาสร้างขึ้นไปสูงๆ ก็จะเกิดอาการซุ่นตัวลงมาอย่างที่เราคงเคยได้ยินได้ฟังข่าวกันการทำบุญให้ทานก็เป็นเช่นนั้นก่อนที่เราจะรักษาศิ่ได้นั่งสมาธิได้เจริญปัญญาได้บรรลุมิมุติมรผลนิพพานได้เราต้องทำบุญให้ทานก่อน การทำให้ทานก็ต้องทำอย่างถูกต้องเพื่ออ น, นิสงส์ที่เลิศที่ประเสริฐที่จะเพ่งได้รับอ น, นิสงส์ของการให้ทานนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัย3าส่วนด้วยกันคือ 1. ผู้รับ 2. ส, สิ่งของที่ให้ 3. ผู้ให้มีสามส่วนด้วยกันผู้ให้ผู้ผู้รับและสิ่งของที่ให้เหล่านี้เป็นปัจจัยที่จะชี้ลือที่เป็นเหตุที่จะทำให้มีอนิสง์มากอนิสง์น้อยขึ้นอยู่สามส่วนนี้ผู้ให้นีก็ต้องเป็น ผู้ให้ที่ให้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์สิ่งของที่ให้ก็ต้องเป็นสิ่งของที่บริสุทธิ์ผู้รับก็ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์ถ้ามีทั้งสามส่วนนี้เป็นบริสุทธิ์ทั้งสส่วนก็จะได้อนิสงส์มากถ้าไม่บริสุทธิ์ ก็จะไม่ได้อานิสงส์มากดังนั้นเราต้องมาวิเคราะห์ดูว่าความบริสุทธิ์ของทั้งสามส่วนนี้มีอะไรบ้างเ<ม>ช่นความบริสุทธิ์ของผู้ให้คือผู้ให้นี้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าคือไม่ได้ปรารถนาต้องการรับสิ่งตอบแทนจากผู้รับเลยให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ให้ด้วยความปรารถนาดีคือความเมตตาให้ด้วยความสงสารก็คือความกรุณาการให้ต้องให้แบบนี้อย่าให้เพื่อหวังผลตอบแทนจากผู้รับเช่นให้แล้วขอให้ผู้รับนี้ทำอะไรให้ในบางสิ่งบางอย่างหรือให้มีความสานึกในบุญคุณ ต้องขอบอกขอบใจต้องกราบอย่างนี้ถ้าผู้รับเขาไม่ได้ตอบสนองแทนเราก็จะเกิดความเสียใจผู้ให้ก็จะเกิดความเสียใจแล้วก็จะเกิดความเศร้าหมองขึ้นมาภายในใจซึ่งไม่ใช่เป็นผลดีเลยแต่เนื่องจากให้โดยไม่เข้าใจวิธีให้ที่ถูกต้อง ว่าการให้ที่ถูกต้องนั้นต้องให้โดยไม่ปรารถนาอะไรเลยเป็นสิ่งตอบแทนแม้แต่คำว่าขอบคุณจากผู้รับอย่าไปหวังแม้แต่ให้เขาต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ต้องให้เขาดีกับเราอย่างนั้นอย่างนี้เหล่านี้เรียกว่าไม่ได้เป็นบุญการไม่ได้เป็นการทำบุญ การทำบุญนี้ต้องเป็นการให้โดยถ่ายเดียวไม่หวังผลตอบแทนจากผู้รับถ้ามีผลตอบแทนจากผู้รับมีการหวังที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการซื้อขายเป็นการแลกเปลี่ยนเหมือนเราไปหาหมอหมอเขาก็รักษาโรคที่เราเป็นอยู่ เราก็จ่ายเงินหมอให้เงินหมอไปต่างฝ่ายก็ต่างให้กันแต่ต่างฝ่ายไม่ได้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจให้เพราะต้องการผลตอบแทนการให้แบบนี้เราจึงไม่เรียกว่าเป็นการทำบุญไม่มีอนิสงส์จากการจากการให้แบบนี้แบบนี้เรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนหรือเป็นการซื้อขาย ถ้าอยากจะให้เป็นบุญหมอก็ต้องรักษาฟรีคือไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รับเงินจากคนไข้คนไข้มาหาก็สงสารเห็นว่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษาโดยไม่คิดเงินคิดทองอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการให้หรือคนไข้มาหาหมอแล้วก็เอาเงินให้หมอโดยไม่ต้องการให้หมอรักษา อยากจะมาทําบุญกับหมอก็มาหาหมอแล้วก็เอาเงินมาให้เช่นเราเวลาเราทําบุญกับโรงพยาบาลเราซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องมือต่างๆหรือสร้างตึกอาคารโรงพยาบาลอย่างนี้เรียกว่าเป็นบุญแต่ถ้าไปโรงพยาบาลไปหาหมอให้หมอรักษาแล้วเราก็ให้เงินกับหมออย่างนี้ไม่เป็นบุญ ไม่มีอนิสงส์งั้นขอให้เราเข้าใจว่าการให้นี้จะมีนิสงส์มากน้อยก็อยู่ที่ใจของผู้ให้ว่าบริสุทธิ์มากน้อยเพียงไรถ้าให้ด้วยความบริสุทธิ์มากก็จะได้บุญมากบุญคืออะไรคือความสุขใจนั่นเองอย่างวันนี้ญาติโยมมาทําบุญเอาเข้าวของมาให้พระภิกษุสามเณร ญาติโยมไม่ได้ต้องการอะไรเป็นสิ่งตอบแทนจากพระภิกษุสามเณรให้โดยความบริสุทธิ์ใจความรู้สึกคือความสุขใจจึงมีมากแต่ถ้ามาให้เพื่อหวังผลตอบแทนเช่นหวังให้พระแจกของเช่นแจกวัตถุมงคลแต่เราไม่ได้รับวัตถุมงคลกลับไป เราก็จะรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่มีกับมีความผิดหวังเพราะการให้ของเราไม่ได้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจจิงไม่เป็นบุญ เ, เวลาให้ถ้าอยากจะให้เป็นบุญต้องให้เพื่อความบริสุทธิ์ใจให้เพื่อปล่อยวางปล่อยวางอะไรปล่อยวางทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ ที่ไม่มีความจำเป็นกับเราการเก็บเอาไว้นี้เป็นภาระกับจิตใจบีบกดจิตใจให้มีความกังวลมีความหวงมีความห่วงแต่ถ้าได้สละทรัพย์ที่ไม่มีความจำเป็นไปมากน้อยเพียงไรก็จะทำให้ใจมีความเบามีความว่างมีความสุข เิมากขึ้นไปเพียงนั้นนี่คือเรื่องของอนิสงค์ของการทำบุญให้ทานในส่วนของผู้ให้ผู้ให้ต้องมีความบริสุทธิ์ใจสองสิ่งของที่ให้นี้ก็มีมีอนิสง์ต่างกันสิ่งของที่เราให้กันนี้ก็มีอยู่สามชนิดด้วยกันคือวัตถุข้าวของเงินทองต่างๆ ปัจจัยสีอย่างนี้เรียกว่าวัตถุทานสองสิ่งที่เราให้ได้ก็คือวิชาความรู้เช่นเราเป็นหมอเรามีความรู้จากวิธีรักษาโรคภัยไข้เจ็บเราก็เอามาสอนผู้อื่นโดยไม่คิดเงินทองเป็นสิ่งตอบแทนเราก็จะได้ให้วิชาความรู้แก่ผู้อื่น ถ้าเราเป็นแม่บ้านเรื่อรู้จักวิธีทํากับข้าวกับปลาอาหารเราก็สอนผู้อื่นให้รู้จักวิธีทํากับข้าวกับปลาอาหารโดยไม่คิดเงินทองอย่างนี้ก็เป็นวิชาให้วิชาความรู้เรียกว่าวิทยาทาน 3. ส, สิ่งที่เราให้ได้ก็คือธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือ ความรู้ที่จะช่วยดับความทุกข์ภายในใจของผู้อื่นถ้าเรามีเพื่อนหรือมีคนรู้จักเขามีความเศร้าโศกเสียใจมีความทุกข์ถ้าเรามีธรรมะไปสอนเขาทำให้เขาเกิดหูตาสวา่างเขาก็จะหายจากความทุกข์ได้เช่นเรารู้ว่าความทุกข์นั้นเกิดจากความอยาก เวลาคนเราทุกนี้ทุกเพร่ะความอยากอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากมีอย่างนั้นหรืออยากมีอย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นหรืออยากจะเป็นอย่างนี้พอไม่ได้ดังใจก็เกิดความเสียอกเสียใจหรือเวลาสูญเสียสิ่งที่รักไปก็อยากจะได้กลับคืนมาก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมา ถ้าเรามีธรรมะเราไปสอนเขาให้เขาปล่อยวางตัดความอยากเช่นสูญเสียลูก ร, รักไปแล้วก็บอกเขาว่าทำยังไงก็ไม่มีทางที่จะได้ลูกกลับมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าใครก็ตามในโลกนี้เมื่อเกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็ว ก, ก็ต้องตายจากกันไป เมื่อตายไปแล้วไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรในโลกนี้ที่จะทำให้คนที่ตายไปแล้วฟื้นกลับขึ้นมาได้ขอให้เขาตัดใจยอมรับความจริงอย่าไปอยากให้ลูกที่รักนั้นฟื้นกลับคืนมาถ้าเขาเข้าใจแล้วเขาทำใจได้เขาก็จะหายจาก่างทุกข์ได้นี่คือการให้ธรรมทานท่าให้ธรรมะ แก่ผู้อื่นซึ่งการให้ทั้งสามประการนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าให้ธรรมะนี้เป็นการให้ที่ดีที่สุดการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงถ้าเราให้วิชาความรู้ก็จะช่วยเขาให้มีความรู้แล้วเอาไปดับความทุกข์ที่เกิดจากการไม่มี ความสามารถในการทำมาหากินได้แต่ก็ยังไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจเขาได้เหมือนกับธรรมะของพระพุทธเจ้าให้วัตถุข้าวของเงินทองก็จะดับความทุกข์ที่เกิดจากการอดอยากขาดแคลนของร่างกายได้แต่ไม่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจได้มีแต่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น เป็นสิ่งที่จะดับความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นได้ดังนั้นการให้ทั้งสามส่วนนี้ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือการให้ธรรมะแต่ก่อนที่เราจะให้ธรรมะแก่ผู้อื่นได้เราก็ต้องมีธรรมะก่อนถ้าเราไม่มีธรรมะเราจะให้ธรรมะแก่ผู้อื่นได้อย่างไรเหมือนกับถ้าเราไม่มีเงินทอง เราจะเอาเงินทองไปให้ผู้อื่นได้อย่างไรอย่างนั้นถ้าเราอยากจะให้ธรรมะเราก็ต้องศึกษาและปฏิบัติธรรมก่อนจนเราได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆหลังจากนั้นแล้วเราก็จะสามารถให้ธรรมะแก่ผู้อื่นได้อย่างพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายตอนตอน้นตอนที่ท่านศึกษาและปฏิบัติ ท่านไม่ได้ให้ธรรมะกับใครเลยท่านมุ่งไปสู่การปฏิบัติอย่างเดียวเข้าไปอยู่ในปานใ่าในเขาปีกปุ้ยเวกไม่คุก ค, คลีไม่สังคมกับใครทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการปฏิบัติธรรมจนในที่สุดก็ได้ตัดสรุงเป็นพระพุทธเจ้าหรือได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกกันหลังจากนั้นแล้วท่านจึงค่อยออกมา เอาธรรมะที่ท่านได้รู้ได้ไดเห็นได้บรรลุนี้มาเผยแผ่สั่งสอนแก่ผู้อื่นต่อไปเป็นธรรมทานอย่างภารกิจของพระพุทธเจ้าที่ทรงกระทาอยู่ทุกๆุกวันนี้ก็มีอยู่5ข้อด้วยกันที่เรียกว่าพุทธกิจหคือในตอนบ่ายจะสอนธรรมะให้แกาา่ญาติโยมในตอนค่ำจะสอนธรรมะ ให้แก่ภิกษุสา ม, มเณรในตอนดึกจะสอนธรรมะให้แก่เทวดาทั้งหลายและในตอนเช้าก่อนจะออกบิณฑบา ท, ทรงเล็งยามดูว่าวันนี้ควรจะไปสอนธรรมะให้กับใครก่อนแล้วค่อยออกบินทบาสนี่คือภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติหลังจากที่ได้ทรงตัดสัรู้แล้ว มีธรรมะอยู่ในใจแล้วจึงค่อยนํเอามาสั่งสอนแก่ผู้อื่นไม่ใช่เหมือนกับสมัยนี้ที่ยังไม่มีธรรมะก็อวดรู้อวดเห็นว่ารู้ธรรมแล้วก็ไปสั่งสอนผู้อื่นแบบผิดผิ ด, ผดถูกถูกทำให้ผู้อื่นต้องหลงทางไปอย่างนี้ไม่ควรจะทำถ้ายังไม่รู้ธรรมยังไม่เห็นธรรมอย่าไปสั่งสอนผู้อื่น เพราะมันเป็นโทษมากกว่าจะเป็นคุณมันไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับฟังมีแต่จะทำสร้างความสับสนหรือทำให้หลงทางได้นี่คือเรื่องของการให้ธรรมะถ้าเรายังไม่มีธรรมะเราก็ยังมีวิธีให้ธรรมะแก่ผู้อื่นได้อีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเราได้อ่านหนังสือธรรมะดีๆของพระพุทธเจ้าก็ดี ของพระ อ, อริยสงสารกต่างๆเช่นพระสุปฏิบัติพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายเราอ่านแล้วเราเห็นว่ามีคุณค่ามีคุณประโยชน์เราอยากจะให้ผู้อื่นได้มีโอกาสได้อ่านบ้างเราก็ร่วมกันพิมพ์หนังสือเหล่านี้มาจากเป็นธรรมทานก็ได้อย่างนี้ก็เป็นการให้ธรรมะโดยทางอ้อม คือไม่ใช่เป็นธรรมะของเราเองแต่เป็นธรรมะของผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วเช่นพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายนี่คือเรื่องของสิ่งของที่เราจะควรจะให้มีอยู่สามชนิดด้วยกันแล้วก็สิ่งของที่เราจะให้นี้ก็ต้องเป็นของของเรา ไม่ใช่เอาของผู้อื่นมาให้เช่นเราไปเอาของเอาเงินทองของคนอื่นมาทำบุญอย่างนี้เราก็จะไม่ได้บุญและอาจจะได้บาปด้วยถ้าเราเอาเงินทองของผู้อื่นโดยที่เขาไม่อนุญาตคือไปลักขโมยเช่นเราได้ยินได้ฟังว่าการทำบุญแล้วจะทาให้เราได้บุญมากเราก็อยากจะทาแต่เราไม่มีเงินทอง เราก็เลยไปขโมยเงินของคนอื่นมาทำอย่างนี้ไม่ได้บุญแต่จะได้บาปดังนั้นไม่ควรทาบุญแบบนี้หรือถ้าเรามีเงินทองแล้วเราทำจนหมดแล้วไม่มีเหลือที่จะทำอีกแล้วก็ไม่ต้องกำนวณกับการทำบุญอย่าไปหาเงินหาทองเพื่อมาทำบุญต่ออีก นี้ไม่ใช่เป็นเหตุผลหรือเป้าหมายของการทำบุญการทำบุญนี้ต้องการให้เราปลดเปลื้องเงินทองที่มันมีเกินความจําเป็นนี้ออกไปจากจิตจากใจของเราเพราะมันหนักมันเหมือนกับทำให้การเดินทางของเรานี้ลำบากมีสัมภาระมากขึ้นพราเรานี้เป็น เป็นนับเดินทางนักท่องเที่ยวกันในวัต่สงสารในพบต่างๆการที่เราจะไปสู่มรรคผลนิพพานนี้เราต้องไปแบบตัวเบาๆจะได้ไปถึงได้อย่างรวดเร็วและไม่ลำบากถ้าเรายังมีสัมภาระต่างๆที่ต้องแบกหามไปด้วยมันจะทำให้การเดินทางของเรานี้ชักช้าและอาจจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้ เพราะเราจะหมดกำลังก่อนดังนั้นเราจึงต้องเอาแต่สิ่งที่จําเป็นไปเท่านั้นดังนั้นในเื้องต้นเราต้องสะระพับสมบัติเข้าของเงินทองให้เอาไว้เท่าที่จําเป็นเท่านั้นเมื่อเราให้หมดแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องมาหาเงินหาทองมาเพื่อมาทำบุญอีกเราต้องเอาเวลาที่หาเงินหาทองนี้มาปฏิบัติธรรมกัน มารักษาศีลกันเพราะเรายัางขาดศีลยังขาดสมาธิยังขาดปัญญากันเรามีทานแล้วเราทำทานหน้อย่างเต็มที่แล้วตอนนี้ถือว่าเราได้ขึ้นชั้นแล้วทานนี้ก็เป็นเหมือนการเรียนหนังสืออยู่ชั้นปฐมพอเราเรียนถึงชั้นปฐมที่หกแล้วเราก็ต้องขึ้นชั้นมัธยมแล้วอย่าไปอยู่ชั้นปฐมหกต่อไป พราเราจะไม่เจริญก้าวหน้าเราก็จะติดอยู่ที่ชั้นปฐมหกเท่านั้นเราต้องขยับขึ้นชั้นมัธยมก็คือต้องรักษาศีลแล้วเมื่อก่อนนี้อาจจะรักษาแบบขัดขาดรักษาบ้างไม่รักษาบ้างตอนนี้ต้องเอารักษาแบบจริงจงจังๆแล้วเพราะไม่มีเหตุผลที่จะต้องมาโกหกแล้วเมื่อก่อนเราต้องหาเงินหาทองเรารู้สึกว่า ถ้าไม่พูดโกหกแล้วจะหาเงินทองนำบ่าแต่ตอนนี้เราไม่ต้องหาเงินทองแล้วเพราะเรามีพอกินพอใช้แล้วเราไม่ต้องพูดปดก็ได้แล้วเราขายของก็พูดไปตามความจริงเขาจะซื้อไม่ซื้อก็เรื่องของเขาไม่ต้องไปโกหกเขาว่ากำไรนิดเดียวอย่างนี้ไม่ต้องไปพูดเขาจะซื้อก็ซื้อกำไรมากกำไรน้อยมันก็เรื่องของเรา เราไม่ต้องไปโกหกเขาเขาอยากจะซื้อก็ซื้อเพราะเขาไม่ซื้อเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรามีเงินเหลือกินเหลือใช้พอกินอยู่แล้วนั่นเองเราเรามีโอกาสที่จะรักษาสินได้แล้วเมื่อก่อนนี้อาจจะไม่ได้เพราะเรายังต้องปากกัดตีนถีบอยู่ยังไม่พอกินพอใช้ตอนนั้นก็อาจจะต้องโกงบ้างขายของอาจจะโกงบ้างโกหกบ้างแต่ตอนนี้เราไม่มีความจาเป็นแล้ว ทนี้ไม่มีเหตุผลไม่มีข้ออ้างมาอ้างแล้วว่ารักษาศินไม่ได้ทำไมรักษากันไม่ได้คนอื่นทำไมเขารักษากันได้พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทำไมท่านรักษากันได้ท่านก็เป็นปุถุชนธรรมดาเหมือนเรามาก่อนท่านมีความเห็นคุณค่าของศินนี้มีคุณค่ามากกว่าของอย่างอื่นนั่นเองระหว่างเงินทองกับศีล น, นี้อันไหนมีคุณค่ากว่ากัน เงินทองนี้ไม่สามารถส่งให้เราไปไปสวรรค์ได้แต่ศีลนี่นส่งให้เราไปสวรรค์ได้ป้องกันไม่ให้เราตกนรกได้ต้องป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในอบายได้ถ้าเรารักษาศีลได้ตลอดเวลาเราไม่ต้องไปใช้ไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่เป็นเปรตไม่ต้องไปตกนรกแต่ถ้าเรามีเงินทองแต่เราได้เงินทองมาด้วยการทำบาป อย่างนี้แหละเราจะต้องไปตกนรกดังนั้นขอให้เราเห็นคุณค่าของศีลยิ่งกว่าเงินทองแล้วเราจะรักษาศีลได้เมื่อเรารักษาศีนได้แล้วเราก็ต้องขยับขึ้นชั้นต่อไปชั้นมัธยมจบจบม .6 แล้วทีนี้ก็ต้องไปสอบเอ็นทราไปเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วเพื่อที่เราจะได้เรียนในระดับปริญญาต่อไป เราก็ต้องนั่งสมาธิกันแล้วนี่คือชั้นปรินญาชั้นปริญญานั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบตอนนี้เราต้องเจริญสติทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับควบคุมใจของเราไม่ให้ลอยไปลอยมาให้คิดให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับร่างกายให้รู้อยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ อย่าไปทำอะไรแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แสดงว่าใจลอยบางทีลืมไปแล้วว่าทำอะไรไปบ้างล้างหน้าไปแล้วบางทียั ง, ย, ง, ย, งยังจำไม่ได้ว่าล้างไปหรือยังต้องกลับมาล้างใหม่ mm hmm. เพราะว่าขณะที่ทำไม่ได้อยู่กับการล้างหน้ามัวไปคิดเรื่องอื่นนั่นเองอย่างนี้เรียกว่าการไม่มีสติเราต้องฝึกให้มีสติให้ได้ เพราะสตินี้จะควบคุมใจให้นิ่งให้สงบได้นั่นเองเวลาเรานั่งทาสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าเราไม่มีสติมันก็จะไม่พุทโธอย่างเดียวมันพุทโธปั๊บแล้วมันก็ไปคิดเรื่องอื่นต่อถ้าเป็นอย่างนี้นั่งไปจนวันตายก็จะไม่นิ่งจะไม่สงบแต่ถ้ามีสติควบคุมให้อยู่กับพุทโธได้อย่างเดียวไม่นานหนาที10นาทีก็สงบได้นิ่งได้ เพราะอำนาจของสตินี้เองดังนั้นเราต้องเจริญสติทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับเพราะตื่นขึ้นมาก่อนจะลุกขึ้นทำอะไรก็ตั้งตั้งสติก่อนแล้วว่าวันนี้เราต้องคอยควบคุมใจของเราให้อยู่กับการทำงานของร่างกายอย่างเดียวไม่ให้ไปอยู่เรื่องอื่นกำลังอาบน้ำก็ให้อยู่กับการอาบน้ำกำลังแปลงฟันก็ให้อยู่กับการแปลงฟัน กำลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่การรับประทานอาหารถ้าทําอย่างนี้ได้แล้วเวลานั่งทําสมาธิให้บริกรรมพุทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธมันจะไม่ไปเรื่องอื่นแล้วมันไม่นานมันก็จะเข้าสู่ความสงบแล้วก็นิ่งสบายมีความสุขมีความว่ามีความปล่อยวางไม่มีความรักไม่มีความชังไม่มีความโลภความโกรธความหลงที่ถูก อำนาจของสมาธิหยุดไว้ชั่วคราวแต่ยังไม่ตายขณะที่สงบนี้ปล่อยให้สงบนานๆพราะเป็นการกดหรือเป็นการให้ยาสลบแก่ความโลภความโกรธความหลงยารีบออกมาปล่อยให้จิตออกมาเองเมื่อถึงเวลาเขาเขาอิ่มเขาพอแล้วเขาก็จะถอนออกมาเอง เหมือนกับเวลานอนหลับไม่ต้องไปปลุกนอนไปเรื่อยๆจุดนอนจนอิ่มจนพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาเองเวลาจิตสงบอยู่ในสมาธิก็ต้องให้นิ่งให้นานที่สุดจนกว่าเขาจะถอนออกมาเองอย่าไปดึงออกมาเพราะว่าจะเสียประโยชน์นั่นเองถ้าอยู่ได้นานเท่าไหร่เวลาออกมาจากสมาธิใหม่ๆนี้กิเลสจะสลึมสลือ จะไม่มีกำลังจะไม่มารบกวนสร้างความทุกข์หรือมารบกวนการเจริญปัญญาของเราที่เราควรจะทำต่อหลังจากที่ออกมาจากสมาธิแล้วพออกจากสมาธิเป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเจริญปัญญาต้องรีบพิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ของสิ่งต่างๆเช่น <c oughs> พิจารณาว่าเงินทองข้าวของนี้ไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นความสุขทุกวันนี้เราทุกข์กับอะไรถ้าไม่ทุกข์กับเงินทองเพราะเรามีความอยากใช้มันมากกว่าที่เรามีความสามารถที่จะหามาได้นั่นเองแต่ถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่ใช้เงินใช้ทองเราจะไม่มีความทุกข์กับเงินทองเช่นนักบวชนี่ที่เขาออกบวชเขาอยู่ได้โดยไม่มีเงินมีทองเขาเลยไม่ต้องทุกข์กับการหาเงินหาทอง ไม่ต้องทุกกับการรักษาไม่ต้องทุกกับความเสีย อ, อกเสียใจเวลาเงินทองหมดไปหรือหายไปนี่เราต้องพิจารณาอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันจึงทําให้เราทุกขเพราะเราอยากให้มันเที่ยงนั่นเองเราอยากจะให้มันอยู่กับเรานานๆหรือให้มีมากขึ้นไปแต่มันไม่แน่นอนมันมีขึ้นมีลง เวลาขึ้นเราก็ดีใจแต่เวลาลงเราก็เสียใจเป็นความทุกขนะ์เนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าหัดอยู่แบบไม่ต้องมีเงนนินมีทองอยู่แบบนักบวชนะหรือถ้ามีก็มีเท่าที่จําเป็นใช้ให้น้อยที่สุดใช้เท่าที่จําเป็นใช้ไว้สําหรับซื้ออาหารซื้อยาซื้อเสื้อผ้าซื้อที่อยู่อาศัยเท่านี้ก็พอแล้วถ้าอย่างนี้แล้วเราจะไม่ต้องทุกกับเงินทองมากเหมือนกับ คนที่ต้องใช้เงินทองซื้อความสุขต้องซื้อเบียร์มาดื่มต้องซื้อบุหรี่มาสูบต้องซื้อขนมมากินต้องไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆสิ่งเหล่านี้เราไม่จำเป็นจะต้องมีมันเราก็อยู่ได้และมีความสุขมากกว่าเพราะไม่มีความทุกข์นั่นเองนี่คือการพิจารณาทางปัญญาที่เราต้องเริ่มพิจารณาหลังจากที่เราเออกจากสมาธิใหม่ๆ เพราะตอนนั้นกิเลสยังสลึมสลือยังไม่มีกำลังที่จะฉุดากให้เราไปคิดเรื่องที่กิเลสชอบคิดนั่นเองคือให้ไปหาเงินให้ไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ไม่นานถ้าเราพิจารณาไปสักระยะอย่างแล้วกิเลสเริ่มมีกำลังเมากขึ้นแล้วทีนี้การพิจารณาของเราก็จะพิจารณายากแล้วเพราะกิเลสเริ่มชวนให้เราไปหาความสุข อยากสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเริ่มหิวน้ําเริ่มอยากจะดื่มดื่มเหล้าดื่มเบียดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆแล้วเริ่มอยากจะรับประทานขนมแล้วเริ่มอยากจะดูหนังฟังเพลงขึ้นมาแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ต้องหยุดการเจริญปัญญาพิจารณาปัญญาแล้วกลับมานั่งสมาธิใหม่มาให้ยาสรบกับกิเลสตัณหาใหม่ทําจิตใจให้สงบ แล้วก็อยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้พอถอนออกมาแล้วค่อยมาจเจริญปัญญาใหม่ต่อไปปัญญาก็จะฝังอยู่ในใจของเราพอมันฝังแล้วไม่ลืมแล้วทุกครั้งที่เราอยากจะได้เงินได้ทองเราก็จะหยุดทันทีเพราะเรารู้ว่าเรากำลังเข้าไปหาความทุกข์นั่นเองตอนนี้เรายังไม่หยุดเพราะเรายังลืมไปว่ามันเป็นความทุกข์พอคิดถึงเรื่องเงินปั๊บนี่รีบมิ่งเข้าไปหาเลย แต่ต่อไปเราจะรู้ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาอยู่เรื่อยๆว่ามันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขแล้วเราสักวันหนึ่งเราก็จะปล่อยวางเรื่องเงินทองได้ปล่อยวางเรื่องความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสได้เราจะอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจเราซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงและจะไม่สูญหายจากไปเป็นความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอน ที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเรื่องของการการสร้างบุญสร้างกุศลที่เราควรจะทำกันเราต้องพิจารณาความบริสุทธิ์ทั้งสส่วนถ้าเราทำตามที่ได้แสดงไว้ในวันนี้แล้วเราจะได้บุญมากและเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแน่นอนก็คือ ความบริสุทธิ์ของผู้ให้ความบริสุทธิ์ของสิ่งของและความบริสุทธิ์ของผู้รับความจริงมีอีกมากที่จะพูดแต่วันนี้มันเวลามันหมดแล้วก็เลยต้องขอขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้มากระทํากันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขแลกความเจริญ